เมื่อนั้นเองสงครามก็อุบัติขึ้นระหว่างมนุษย์กับกองทัพช้างที่เคลื่อนบีเข้ามาพร้อมๆกันทุกด้านระยะจากฝ่ายมนุษย์ซึ่งตกอยู่ใจกลางกับรักมีการคืบเข้ามาล้อมเงียบของมันห่างเพียงไม่เกิน40เมตรเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องสั่งการใดๆกันอีกทั้งสิ้นทั้ง19ชีวิตหันหลังเข้าหากัน หันหน้าและปากกระบอกปืนออกไปยังศัตรูอันเป็นสัตว์ใหญ่นับจำนวนไม่ถ้วนที่กำลังประดังหนุนเนื่องเข้ามาแล้วปืนทุกกระบอกนานาชนิดต่างๆขนาดก็ระดมแพร่ออกไปทำให้ความเงียบของเราพายัยกลายเป็นจุดยุทธภูมินรกในทันทีหูดับตับไหมระลอกแรย ประมาณสิบกว่าตัวที่ดาหน้าเข้ามาบ้างล้มฟุบบ้างกริ้งตะแคงคราวนี้เองที่ได้ยินเสียงแผดร้องอยู่โอ้อ้าแปรแปรของพวกมันเลือดสาดกระจายไปทั่วทุกพุ่มพงเชิดบุตรด้วยความมั่นใจในกระสุนที่บรรจุในไรเฟิลของเขาปักหลักอยู่กับที่แต่ละตูมแต่ละตูมของเขาราวกับมือพรานที่ชนานาญไพหรือพรานช้างโดยเฉพาะ พระตอกกลางกระโหลกหรือบริเวณส่วนศีรษะตัดสมองลง้มคลืนลงทุกครั้งพอกระสุนหมดก็เพนถอยตาลีตาเหลือกบรรจุกระสุนชุดใหม่เกิดเล่นเข้ามาประกอบหลังไว้ถอยก่อนนายทหารถอยเจ้าพรานเด็กหนุ่มตะโกนบอกพร้อมกับซัดจุด37จดหประจามือออกไปเสียงหัวกระสุนกระทบกับร่างอันใหญ่โตดังได้ยินถนั แม้ว่ากำปนาาของเสียงปืนจะ ก, กึกก้องอยู่แล้วก็ตามเศษกระดูกเศษหนังบางส่วนของไอ้ตัวที่ตกเป็นเป้ากระจายว่อนเกิดทำหน้าที่คุ้มกันเชิดวุดไว้แล้วยิงปะทับปะทางเพื่อให้นายทหารหนุ่มได้มีโอกาสได้บรรจุกระสุนชุดใหม่เสรยนั้นพุ่งเข้าหานายดขอยืนเคียงคู่ไว้แล้วจันถือปืนุ้มเชิงอยู่อย่างฉลาด เพระรู้ว่าคิดจะต้องยิงจนหมดกระสุนที่บรรจุอยู่ในแมกกาซีนของตนและต่อจากนั้นละ่ะโอกาสที่จะแหลกล้านก็จะมาถึงซึ่งเซย จ, จะทาหน้าที่ยักยัใไอตัวที่พุ่งเข้ามาใกล้นายนคิดที่สุดเบียงกับคริสตินา่าโดดแยกกันออกไปคนละ ม, มุมสวนเข้าหาพวกลูกหักที่กำลังตาหูเหลือกพราะพวกนั้นมีแค่ปืนลูกซองเดียวบ้างกระสุนวงจากัด เมื่อจริงแล้วก็ต้องหักล้ำบรรจุใหม่สองสาวมริกันพิสูจน์ชัดออกมาอีกครั้งว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้ทั้งคู่จัดอยู่ในประเภทสติมั่นคงและห้าวหาญยิ่งเสียง M16 ระเบิดทียิบปังปังปังปั ง, ง, งไม่เป็นจังหวะมันไม่สู้จะได้ผลนักเพราะหัวกระสุนหน้าตัดเล็กและแรงประทะน้อยเกินไปสาหรับสัตว์มหมา ที่พุ่งเข้าใส่ในขนาดนี้ว่าจะล้มตลาตัวก็พุ่งก็ามาเกือบจะถึงกายจันเล่นเข้าไปคอยคุ้มกันหมอเบลไว้ในขณะที่ตาเท่าบุญคำก็ประชิดอยู่เบื้องหลังของคริสตินาะตัวไหนที่รอนยิงไม่ล้มและทวีความดูร้ายเกรียวกราดม้วนงวงเล่นแผ่นดินสะเทือนเข้ามาอย่างบุบบิดจวนตัวแกก็บรนจ o n ต่อครองเข้าไปด้วยจุด37ห้า ทั้งลงห่วงลงฟาดนินสะเพียนพร้อมกับร้องตะโกนบอกว่าแมมเลือกยิงที่หัวมันอย่ายิงที่อื่นคริสติน่าไม่ฟังเสียงซะแล้วหล่อนแทนที่จะยิงทีละนัดซึ่งไม่ถูกใจบัดนี้ลักสวิตไปที่ครัวโตาประทับ m อ6มิกขึ้น ในระดับต่ำแนบเอวแล้วกดรืดรืด อ, ออกไปเป็นชุดๆอย่างชำนาญชุดละสามสี่นัดแป่ทีเร็วโดยสายปากระบอกปืนในแนวราบคราวนี้ได้ผลหลายต่อหลายตัวที่เบียดเสียดยัดเยียดกันเข้ามาหมุนคว้างโดนบริเวณขาบ้างลำตัวบ้างลุกเข้ากระโหลกไปบ้าง ถ้าไม่ลมก็ปาดเีส่วนเซเสียโอกาสชื่องชาไปเสียงร้องของพวกมันคราวนี้แซ่ครลมกึกก้องป่าเป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดระคโครูแทนหรือมิฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่จะเรียกพวกพ้องให้ช่วยกันประดังเข้ามาอีกสไตลีดูเหมือนจะฉลาดและไหวพริบดีที่สุดเพราะสามารถกะคำนวณสถานการณ์ได้ ว่าไม่สามารถจะปะทะหยุดยั้งกองทัพไอ้คดเสานผีสิงนับจานวนไม่ทั่วเหล่านี้ได้นะ่ผู้ยิงออกไปเพียงสามนัดเท่านั้นเท่าที่บรรจุอยู่ในไรเฟิลขนาดหนักซึ่งทุกนัดเจ้าช้างมหาการที่ตกเป็นเป้าลมทั้งยืนและตัวเองก็แล่นกัดมาที่เต็นนอนซึ่งบัดนี้สายกั้นขึงหลังคาขาดปัลบลงมาคลุมไว้หมดหรือค้นโดยเร็ว พาได้ระเบิดสังหาร 6-7 ลูกเอามันเนบไว้ก่อนพร้อมกับบรรจุกระสุนชุดใหม่อย่ายิงพร้อมกันหมดทุกคนรักกันยิงเป็นชุดๆอเมริกันหัวหน้าคณะตะโกนเท่าที่เสียงจะมีอยู่ทั้งหมดสั่งการแต่หาประโยชน์อะไรไม่ได้อยงาวเสียงปืนเสียงช้างเสียงไม้ไล่หักพีนาา และเสียงเออของคนในแคมป์มันดังกรหบุดเบนนั้นพอได้ยินเสียงคริสติน่ายิงเป็นชุดหล่อนก็พลักสวิตช์บังคับการยิงลบวกัดฟังกราตออไปเป็นชุดยาวดดวกกดเลียด ก, กับพื้นและเฉียงขึ้นสูงตามแนวสะบัดไ ต, ตของ M16 การยิงรัวฟรูออโตโแบบนี้จะไม่ได้ผลเลยถ้าหากประจันหน้ากับมันชนิดตัวต่อตัว หรือตามยิงแบบล่ากันธรรมดาแต่ในยามที่ไอ้ช้างผีเปรตเหมือนจะถูกบงการจากเวทมนตร์นรกหุ้มกันเข้ามาเป็นกองทัพแบบนี้เ1 6ยิงแบบกลนได้ผลชะ ง, งัดไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่มีนัดไหนพลาดเป้าหมายเลยเพียงแต่จะถูกส่วนใดของตัวใดเท่านั้นเพราะมันหนุนเนื่องกันเข้ามามากเหลือเกินต่างพลักต่างดันกันเข้ามา และบักนี้นับจากกระสุนนัดแรกระเบิดขึ้นกินเวลาเพียงไม่เกินสองสามนาทีเท่านั้นซากช้างที่ประดังประเดกันเข้ามาก็ล้มระเนระนาดเป็นภูเขาเหล่ากากลายเป็นแนวกีดขวางพวกมันกันเองไม่พุ่งเข้ามาได้รวดเร็วเพราะจะต้องไต่ซากของพวกมันกันเองที่ล้มกลิ้งไตก่อนแล้วเลือดนองแทบจะท่วมเนินดินเชิงผานั้นไม่มีใครกักถูก ว่าพวกมันล้มไปแล้วกี่ตูแต่ที่รู้แน่ๆก็คือไม่มีการถอยเพราะหนุนเนื่องกันเข้ามาราวกัะกองพันของทหารกล้าตายชนิดที่จะบุกขยี้ทำสงครามแต ก, ถ, กถ้าเป็นการสู้รบระหว่างคนต่อคนด้วยกันระยะนี้ก็เรียกว่าติดาบปลายปืนแล้วฝ่ายมนุษย์เองก็วิ่งกันพลานเหมือนมดแตกรัง คนนั้นวิ่งไปสกัดยิงด้านนี้และคนนี้ก็วิ่งไปดักอยู่ทางด้านโนนบางก็วิ่งหนีเพราะบรรจุกระสุนไม่ทันก็ละหุนอัลละมานชิ่งยิ่งกว่าคราวที่ปะทะกันตรงป่าไผ่สิไฟใหญ่น้อยรอบด้านที่ก่อไว้ยังหาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยเพราะพวกมันบุกตะลุยผ่านแนวเข้ามาแล้วคิดยิงพลางตะโกนด่าพ่อล่อแม่ไปพลางสไตลีนั้นตะโกนอยู่แต่ว่า ให้ถอยถอยถอยขึ้นหน้าผาแต่ไม่มีใครสนใจฟังเสียงเขาเขาขยับระเบิดมืออยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่กลา้าควาาเพราะรัศมีของระเบิดสังหารมันเลียกดินเกรงสักจะจะปลิวไปถูกพักพวกกันเองเขา้าริสตีน่านั้นยิงหมดแมกซีน3า30นัดแรกไปแล้วหล่นปลดแม็กกาออกทิ้งกระชากแม็กสำรองที่บรรจุกระสุนเต็มขึ้นมา ยัดสวมเข้าไปแล้วก็กระหน่ำยิงต่อไปอยังบ้าเลือดปากหลอนตะโกนเรียกหาระพินพรายแต่ก็ไม่ได้เรียกหิีดีอะไรเท่ากับเป็นการตะโกนสาบแช่งและดา่าโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สึกหล่อนโกรธแทน้นีิยาไม่มองไม่เห็นมักกุเทศทางทางอันเป็นที่หวังที่พึ่งของทุกค น, มนไม่รู้ว่าเขาหายหัวไปเสียที่ไหนบุญคําพยายามกระชากหลอน ให้ถอยหลังพละหนีไปทางหน้าผาแต่แม่ผมทองสะบัดมีน้ำซ้ำยังหันมายกเท้าถีตาเท่าเซซ่ไปแล้วแยกเขี่ยวหันไปกระนาลูกปืนใส่กองทัพช้างที่กำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาเหล่านั้นต่อไปกาบัน้ามันไม่หมดรล่นแผดเสียงมันไม่หมดรอกแมงแต่มันจะขยี้เราแหลกหมด บุญคำร้องเสียงหลงเจ้าตัวหนึ่งเจอลูกโดดของนายตราบเข้าที่โคนมวงกำลังบ้าดีเดือดแลว้วม้วกผ่านเข้ามาถึงใจกลางครับชเชือดบุตรและพรานประจำตัวยิงไม่ถังวันนี้หลบไปคนละทางแล้วล้มระเนระนาดตัวนั้นแล่นเข้าใส่พริปติหน้าทางด้านหลังระยะห่างเพียงแค่หาหกวาเท่านั้นที่วงของมันจะยืดขึ้น ำหันควักมาพอดีร้องจ๊ะแยกระบอกลำกล้องพรดอยางชนิดจ้ำจี้จ้ำชัยทิ่มก็ใส่หน้ามันแล้วน้าวไก่ช็กระสุนของแกชุดนั้นหมดพอดีสมุนขวาของรพินร้องสุดเสียงเพนเข้าคว้าเอวแม่ผมทองกระชากล้มกลิ้งครุกครีไปด้วยกันพนรัศมีงวงของไอ้ยักษ์ตัวนั้นไปได้เพียงแค่ฝ่ามือ มันหมุนตัวกลับเข้าใส่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าทั้งบุญคำและคริสติน่าจะต้องแหลกไปด้วยกันทั้งคู่สตอรลีกำลังป้อนกระสุนเข้าแม็กไรเฟิลเขาเห็นเหตุการณ์อย่นนางทนนตาบรรจุกระสุนยังไม่ทันครบจำนวนได้แค่นัดเดียวก็ยัดคร่วยมเข้ารังเพลิงหดบึ้มมาไปในระยะที่ห่างกันประมาณส5บห้าเมตรโดยไอ้ช้างตัวนั้นหันก้นให้พอดี กระสุนขนาดห้าร้อยเกรนตัดหางมันขาดลงตกพื้นแล้วทะลุทะลวงเข้าไปทางช่องทวารนนะ่ะผ่านกลางลำตัวอย่างฟลุกที่สุดทั้งทั้งที่คนยิงก็ยิงออกไปอย่างสมเด็กขดสารตัวนั้นขาหลังคูลงก่อนรองอกยาวลันแต่ขาหน้ายังยันพื้นสันริกริกริ ก, ร ก, รกสะบัดฟัดฟา ด, ฟดงวงอยู่ไปมา ลายงวงของมันห่างจากร่างของคริสติน่าซึ่งบุญคำกอดทรงไว้แค่ฝ่ามือเดียวแต่าทนท่าหมุนตัวกระชากอาแมแอมร่างใหญ่ให้ถอยห่างออกไปอีกทั้งทั้งที่ตัวแกเองเล็กนิดเดียวมันพยายามจะยันขาหลังขึ้นให้ได้ด้วยอาการยักแย่ยักยันในตาบหรือมิฉะนั้นก็ลูกหาบคนใดคนหนึ่งเห็นไม่ั น, นักวิ่งปราดเข้าไปจนชิดทางด้านกกหูทรายตอกกระสุนลูกโดด เบนเน็เบนเน็เก้โครมก็ไปยังอาถารและใจถึงระยะยิงห่างแค่คืึ่เดียวนัดนั้นเองที่ทำให้ขาหน้าที่ยังยันพื้นไว้ของมันคู่ลงแล้วเปลี่ยนเป็นตะแคงราวกับกําแพงลง้มฝุ่นตลบกระสุนลูกโดดหมดแล้วกระสุนลูกโดดหมดแล้ว เสียงพวกลูกหาบตะโกนบอกกันต่อต่อไปบุญคนชุดแมมคริสติน่าขึ้นมายืนได้ในขณะที่เชิดบุตรคิดและอิสเบลก็วิ่งกันเข้ามารวมกลุ่มโดยที่มีเกิดและเซยวิ่งสลับกันอยู่ไปมาผลักกันยิงอย่างดุเดือดเป็นการยิงในระยะที่ใกล้ที่สุดและเป้าหมายแล่นเข้ามาหาเองจึงยากนักที่จะผิดหวังในกระสุนแต่ละนัดของพรานมือดีทั้งสอง กตัวหมายถึงการล้มยังหมดริ์เดชจะตายคาที่หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นอีกแล้วสองระลอกที่หนุนเนื่องกันเข้ามาแต่แรกายเป็นภูเขากั้นแนวบุกของพวกมันไปซะแล้วแต่ระลอกที่สามนี่เองฝ่ายมนุษย์ก็ฝันกระเจิงไปอีกครั้งช้างจำนวนที่ถาโถมบุกตะลุยเข้ามานี้ เป็นรูปขบวนช้างศึกจริงๆเพราะในระลอกที่สาซึ่งกําลังย่างก้าวท่ามซากของเพื่อนเพื่อนมันเข้ามาหลายต่อหลายตัวมีร่างคล้ายมนุษย์นั่งประจังอยู่บนคอด้วยเหมือนความทำหน้าที่บังคับช้างเฮ้ยดูนั่นไอตัวอะไรมันนั่งอยู่บนคอช้างดูนั่นพวกพรันพื้นเมืองและลูกหาตะโกนบอกกันโยวาย พวกนายจ้างพั ง, งะหลังไฟฉายสองสามดวงสาดออกไปกระทบกับภาพเหล่านั้นได้รางๆแต่ตาไม่หลอกแน่มีอะไรที่รูปร่างเหมือนคนนั่งอยู่บนคอช้างจริงๆชุดหนึ่งประมาณเจ็ดตัวจะมีร่างชนิดนั้นนั่งนําหน้าขบวนอยู่ร่างหนึ่งกางแขนทั้งสองออกโบกต้อนโคลงช้างให้ประดาหน้าเข้ามา คนยิงก่อนเป็นคนแรกในชุดระลอกที่สานี้คืออิซาเบลหลอนไม่ได้ยิงช้างแต่หมายยิงไปยังร่างที่นั่งอยู่บนคอในลักษณะควานเสียงเปรี้ยงพระสุนแวกอากาศจะ ว, ว่าผิดก็ใช่ที่สำหรับฝีมือขนาดนี้แต่ไม่ปรากฏว่าร่างที่อยู่บนคอช้างจะสะดุ้งสะเทือนหรือังะ ห, หลุดไปเมืเม่อ น, นั้น จันจึงสลัด M16 สำรองอีกระบอกหนึ่งที่สภายไหลยอยู่และไม่เคยใช้เลยออกมาแม่มงยิงมันด้วยไอ้บอนี่แกร้องบอกเบงคว้าปืนที่จันโยนมาให้ได้กระชากฐานออกและประทับยิงอีกครั้งคราวนี้ปังเดียวไอ้ร่างที่อยู่บนคอช้างซึ่งวิ่งดุงดุงหัวกระดุบกระดุบเข้ามากระเด็นพลอยร่วงหายไปในทันทีอย่างน่าอัศจรรย์ และทุกคนก็ช่วยกันระดมยิงอีกและจะหมายไปยังร่างที่นั่งบังคับอยู่ทั้งสิ้นบุกทําเกิดเซยยั่งและเดอถัดจับปังเข้าที่ร่างไหนบนคอช้างได้ผลทุกนัดร่วงไม่เป็นท่าหายแวบไปในความชุลมุนของปืนมาฮือมาที่ตะลุยย่ําเข้ามาแต่ถ้าเป็นปืนของคิดสแตลี่ตูมเปล่าไม่มีความหมาย นอกจากจะหมายยิงหัวช้างเท่านั้นจึงจะเห็นว่ากระสุนทํา ง, งานพอได้ผลบ้างพวกลูกหาดแท้กระสุนโดที่ระพินแจกไว้จนหมดคราวนี้ก็ล่อกันตามมีตามเกิดเล่นลูกปรายดับเบิลโอบักที่มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งก็ยังดีกว่าจะถือปืน้ว้เฉยๆเสียงลูกซองกระสุนลูกปลายระเบิดโผล่โผลขึ้นมาอีกร ง, งมไปหมดโวย ตากไม่อยู่ลวเว้ยใครไม่เพนก็เพน ล, ลวเว้ยถต่ท้าบุญคำแหก ต, ตากออกมาเพราะตัวแกเองกระสุนเท่าที่บรรจุอยู่ในกระเป๋ากางเกง2ี่สิบกว่านัดหมดสิ้นไปแล้วเพนใส่ตีนหมาไปทางหน้าผาโดยเร็วไม่ห่วงใครอีกทั้งสิ้นแม้แต่แม่ผมทองซึ่งแกมีหน้าที่คุ้มครองดูแลอยู่เพราะเหลือกำลังล่าจะห้ามพราม์ตักเตือนกันยังไงยามนิอนก็ไม่ยอมฟังเสียง พอดีผ่านหน้าสไตลีหัวหน้าคณะฟ้าคอแกไว้ได้คุณคำเอาอยัางไงถอยในห้างถอยขึ้นหน้าผาได้แล้วไอ้คำจะบอกยังไงก็ไม่มีใครฟังเสียงเรากำลังจะเละกันทั้งหมดพวกมันแห่กันมาเป็นรร่ยๆตัวยิงจะระสุนได้หมดแล้วถอยเมื่อ น, นั้นเองสไตลีจึงตัดสินใจเด็ดขาดกระชากสลักนิรภัยจากระเบิดมือออก แล้วคว้างโดงขึ้นไปไกลลิฟเพื่อห่างที่สุดและตาะให้ตกกลางโขลงของไอ้งาดำซึ่งบัดนี้ความชุนลมุนทำให้สังเกตไม่ได้ว่าตัวมันอยู่ที่ไหนอืจใจต่อมานั่นเองระเบิดก็กงบันนาสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นคาดว่าขุนเขารอบ ด, ด้านจะถล่มราบลงเสียงระเบิดนั่นเองทำให้ พวกทุกคนได้สติขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางการแตกหนีชุลมุนแล้วร้องอย่างเจ็บปวดตกใจของก็เชษานด้านที่ระเบิดตกประกายไฟสว่างแวปลูกแดงจา้าทุกคนถอยถอยขึ้นหน้าผาเร็วที่สุดทิ้งทีมันถอยขาตกรสั่งเต็มเสียงคริสตินาอิซาเบลเชิร์ดวุฒและคิด ยิงพากันวิ่งพรูมาที่เต็นคว้าได้เป้หลังคนละบายไม่คำนึงว่าจะเป็นของใครสุดแต่จะชวยได้แล้วก็ออกวิ่งตามบุญคำไปในทันทีโดยมีสแตนลียืนกำระเบิดคอยต้อนระวังหลังอยู่จจนก็ตะโกนบอกไปทางพวกลูกหาทั้งหลายที่กำลังจ้าละวันกันอยู่สั่งให้ถอยเช่นกันพวกนั้นก็อยากจะถอยอยู่เต็มทีแล้วจนใจที่ฝ่ายนายจ้างยังดื้อดึงปักหลักยิงสู้อยู่เท่านั้น พอได้รับสัญญาณให้ถอยต่างก็วิ่งกันยังไม่คิดชีวิตเกิดเสยและจันพร้อมทั้งสเตลลีเป็นชุดสุดท้ายที่คอยยิงปะทะลวงเหนียวไวพี่ข้าประเดี๋ยวพวกฉันถอยช่วยยิงคุมกันลงมาด้วยจันตะโกนเอ็ดอึงขึ้นไปในขณะที่ประทับไรเฟิลยิงอยู่โครมโครมเป็นจังหวะสุดแต่จะเห็นตัวไหนใกล้เข้ามา กองทัพช้างตายเป็นเบือก็จริงแต่ที่มั่นของมนุษย์ทำท่าจะแหลกแน่นอนแล้วเออกูจะช่วยยิงจากบนนี้พวกมึงถอยได้แล้วลากกํานายห้างบ๊อบขึ้นมาด้วยเนาะตาคําผู้ขึ้นไปหยุดหอบแหกแอยู่บนตะพักที่สูงตอนหนึ่งร้องตอบลงมาแล้วก็นับจำนวนคนที่กำลังทยอยไตย่ตามแกขึ้นไปทีละคน โดยร้องบอกให้ขึ้นสูงขึ้นไปสู่ถ้ำที่พวกกะเหรี่ยงตะเคียนทองจุดใต้โบกมืออยู่ไปมาเป็นเครื่องหมายส่องทางอยู่แล้วทุกคนเหนื่อยแทบขาดใจเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งทะลอกปอกเปิกไปตามๆกันคริสตินานันกระสุนหมดสิ้นลงแล้วทั้งสองแม็กซีนอิสเบรเหลืออยู่อีกแม็กหนึ่งกระสุนย่างมากก็ไม่เกิน15หนัด คิดนั้นเหลือเฉพาะที่ติดตัวอยู่ก็แค่สามนัดส่วนเชิดวุธเกรียงชาดจะมีก็แต่ลูกระเบิดมือแบบทำลายที่มั่นอยู่สามลูกติดอยู่ในย่ามหลังคลังกระสุนส่วนใหญ่นั้นคณะพักได้ลำเลียงขึ้นไปเก็บไว้บนถ้ำก่อนแล้วเหลือไว้เฉพาะเท่าที่คิดว่าจำเป็นจะต้องใช้เท่านั้นแต่คาดไม่ถึงว่าจะ ต, ต้องยิงกันชนิดลากล้องร้อนจนจัดไม่ได้ดังเช่นขนาดนี้ พ็ส่วนใหญ่ไต่ขึ้นตาหน้าผาตามทิศทางที่ระพินกำหนดไว้ให้และบุญคำเป็นผู้นำในขณะ น, นี้ครบหมดสิ้นแล้วกองทัพของไอ้งาดำที่มีไอ้ผีดิบป่ปาช้าแตกนั่งคร่อมมาบนคอก็เหยียบเข้าถึงอาณาบริเวณปางพักจันวิ่งมาผลักหลังให้สแตลลีพผละออกแล่นได้แล้วตัวเองกับเสยและเกิดขอยิงปะทะไว้คนละนัดต่อจากนั้นก็แล่นอย่างไม่คิดชีวิต โดยมีโขรงช้างที่ไกลที่สุดห้าหกตัววิ่งปวดไล่เข้ามาทิ้งระยะไม่ห่างนักโดยไม่นับอีกเป็นจำนวนหลายสิบที่กำลังดุมดุมโผล่ออกมาเต็มป่าก้าวเหยียบพักพวกของมันเองที่ล้มระเนรนาฏไปแล้วนับสิบสิบตัวปรีเข้ามาอย่างไม่ลดละวันระยะต่อลูกปืนคีดเชิดบุตรอิสเบลยืนรออยู่ตรงตะพักแรก ที่บุญคําคุ้มเชิงอยู่ส่วนคริสติน่านั้นลงนั่งหอบทําอะไรไม่ถูกแล้วพวกนั้นช่วยกันใช้ไฟลงไปข้างล่างเพื่อส่องทางให้พักพวกและตรวจการเตรียมช่วยเหลืออิสเบรและนายคีตประทับปืนยิงสกัดลงไปอย่างระมัดระวังเปิดทางให้พวกที่เหลือตะเกียตะกายกันขึ้นมาคนรังท้ายสุดก็คือจันและชั่วงอึดใจใหญ่ๆต่อมาพวกที่เหลือข้างล่าง ก็ตะ ก, กายขึ้นมาสู่ที่สูงได้หมดในขณะที่แคมป์ถูกเหยียบแหลกพินาศท่ามกลางเสียงแพดร้องแท่สนันของโขลงไอ้ช้างปีศา์ที่พากันมาจาับปลุ่มชุมนุมกันอยู่ตรงบริเวณที่ตั้งแคมป์เดิมเต็ไมไปหมดสร้องประสานของมันประหนึ่งเสียงโหประกาศถึงความมีชัยนีฉะนั้นก็ท้าทายมนุษย์ลงไปประจัญภากับมันอีกพอเห็นว่าจานวนสุดท้าย ไต่ขึ้นมาถึงบริเวณที่ปลอดภัยพอสมควรแล้วเชิดบุตรกับคิดก็ดึงสลักระเบิดมืออกอกหล่อแม่งมันดึงไอินี่เลยมั้คิดเอาหนึ่งสองสองแล้วทั้งสองก็คว้างระเบิดลงไปกับหลางวางท้ายเป็นที่ชุมนุมของโถงช้างทันทีเสียงระเบิดดังสนัน่น จนแผ่นดินสะเทือนพร้อมกับประกายไฟแลกบจากพวกมันแตกกระจายแล่นกระเจิงไปเฉพาะพวกที่โดนสะเก็ดและตกใจเสียงระเบิดที่ลนใกล้ใกล้แต่อีกพวกที่ยังอยู่ห่างออกไปก็หนุนเนื่องเข้ามาแทนพวกมันบ้าเลือดสียิ่งกว่าฝ่ายมนุษย์อีกและกะทำลายแหลกไม่ให้มีเหลือแม้แต่ชีวิตเดียวถ้าหนีไม่ทันโดยไม่คำนึงถึง ว่าพวกมันจะต้องสูญเสียล้มตายไปเท่าใดไอ้ผีดิบหลายตนที่นั่งคร่อมอยู่บนคอช้างในระยะที่บุกเข้ามานั้นถูกกระสุนอาคมของบุญคำกระเด็นหายไปในความมืดไม่ต่ากว่าเจ็ดแปดซ่าแต่บัดนี้ยามที่ฝ่ายข้างบนฉายไฟส่องลงไปกลางโขงก็ยังเห็นอีกนับสิบที่ยังนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนคอและช้างที่มันนั่งบังคับอยู่เหล่านั้น ก็เดินปรีเข้ามายังริมเนินทางลาดชันมีอาการประหนึ่งเหมือนขุนศึกบนคอช้างที่ใสช้างเข้ามาแงงเงยดูศัตรูผู้แตกท่ายขึ้นไปอยู่บนหน้าผาพวกมันพากันชี้มือประดุษตีนแรงขึ้นมายังกลุ่มมนุษย์อย่างประสงร้ายและไม่มีทีท่าว่าจะสงบศึกนอกจากจะตามพิฆาตกันให้ถึงที่และที่น่าสยองขนที่สุดก็คือ ไอที่กําลังเดินอยู่กับพื้นและปีนป่ายช้าๆตามขึ้นมาก็มีช้างปีนขึ้นมาไม่ได้แต่พวกมันปีนขึ้นมาได้กูจะตอนพวกนายห้างขึ้นไปข้างบนไอ้จันไอเ้ไอเกิดไอ้เซยสกัดไอ้พีนนรกที่กําลังไต่ตามขึ้นนั่นไว้ตามขึ้นมาเท่าไหร่ตอกลงไปให้หมดบุญธําสั่งการกับลูกน้องชุด ห, หลังที่เพงจะตะเกียก ต, ตะกายขึ้นมาถึง แล้วตัวแกเองก็หันมาโบกมือไล่พวกนายจ๊ะร้องบอกตามภาษาของแกว่า go go โ o go go go up up up up ขึ้นไปเร็วๆเจ้านายขึ้นช้าชิบหายแน่ go up หน้าแกก็ตายขึ้นไปที่แหมนเบลที่เกอกแง่หินเอาหน้าเช็ดเหงือกะเฆนเสื้ออยู่เคียงข้างคริสติน่าบอให้อากาศในขณะนี้จะหนาวเยือกซักขนาดใดก็ตาม ความรู้สึกของทุกคนเหมือนอยู่ในเตนานรกเพอผ่านเชิดบุตรในทหารหนุมก็คว้าแขนไว้ลุงคาลูกปืนฉันหมดอ่ะทอมัง่งดิโธ่ของไอ้คําก็หมดเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะเอาปืนกระบอกที่แร ม, มเบนถือนั่นให้ก็คงจะมีกระสุนติดแม็ดอยู่มั่งหรอกในทหารเอาปืนกระบอกมันต่อไอ้ผีที่มันกําลังคลานไต่ก็มาอย่าใช้กระบอกอื่นนะมันไม่ได้ผลหรอกต่เท่า จำได้เป็นอย่างดีว่าจันเป็นคนเอาอก M16 กระบอกที่สองซึ่งกระสุนได้ผ่านเข้าพิธีกรรมของแกไว้แล้วมอบให้แม่ผมแดงใช้ยิงปะทะแล้วก็เชื่อว่าเบนจะยังยิงไม่หมดหลงข้ามกับของคริสซึ่งยิงมากกว่าทุกคนเกลี้ยงฉาิไปแล้วทั้งสองแม็กหนัดพอถึงตัวแกก็ฉวยแย่งจากมือของหมอเบนแอมเอานบอกนี่ไปให้นายทหารตัวแมเองมีสะพายอยู่บอกนึงแล้ว เยะชะาไปยินก็นไปสูงนนน น, น, นแสงตายพวกไอ้โบเมียจุดสองโบเป็นสัญญาณอยู่นนไปรวมกันบนน่นก่อนแม่ผมแดงส่งปืนให้บุญคำโดยดีซึ่งแกก็หันมายักเยียดให้เชิดบุตรแล้วก็ต้อนกลุ่มนายจ้างทั้งหมดรวมทั้งพวกลูกหาบซึ่งพวกนั้นแทบจะไม่ต้องตือนอะไรกันมากพอสั่งให้ถอยเท่านั้นก็พลูล่วงหน้าไปยินปายเปลิงขึ้นไปก่อนแล้ว สเตลีในฐานะหัวหน้าคณะดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีที่สุดเขาสั่งให้พักพวกทุกคนไต่สูงต่อขึ้นไปตามคาสั่งของบุญคาทัน ท, ทีโดยมีตัวตาพรานเท่าคุมอยู่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนใครตะโกนบอกทิศทางอยู่โว๊กโว๊กพร้อมทั้งแกลงใต้เป็นสัญญาณเพื่อชี้นำให้รู้ว่าควรจะไต่มาทางด้านไหนจึงจะสะดวกวุอยู่ไหนทาไมไม่ขึ้นมาด้วยวุ คริสติน่ามองไปยังบรรดาพักพวกที่ไตกันขึ้นไปเป็นทิวแถวและนับจำนวนอย่างรอบคอบร้องขึ้นเสียงนายทหารหนุ่มร้องบอกมาจากตะพักด้านล่างว่าผมอยู่นี่คริสไม่ต้องห่วงประเดี๋ยวจะตามคุณไปเองขอฟากับมันอีกพักคนได้ปืนจากเบล้์คริสติน่าเบรและคีดเริ่มจะรีรอลังเลด้วยความเป็นห่วง แต่สตีลีไว้ดีกว่าทุกคนในคณะและเชื่อแน่ว่าถ้าหากเชิดบุตรอยู่ท่ามกลางพรานพื้นเมืองของราพินก็คงจะไม่มีอะไรจะต้องห่วงจึงสั่งมาเสียงเฉียบขาดทำตามที่เขาบอกไม่ต้องรอพวกเราขึ้นไปก่อนหยุดการใช้ระเบิดมือได้แล้วบัดนี้บนหน้าผาชั้นแรกซึ่งสูงกว่าระดับพื้นเนินล่างสุดขึ้นมาประมาณ20เมตรจึงมีเพียงจันเสยเกิด และเชิดบุตรสามคนเท่านั้นที่ยืนระวังคุมเชิงปักหลักอยู่ทุกคนมีไฟฉายครบมือและฉายกราดสองตรวจลงไปเบื้องล่างบริเวณแค้มไม่ต้องพูดถึงมืดมิดแน่นขนัดไปหมดแล้วเดือดก็จะสานนับร้อยเต็มพื้นที่ไปหมดแต่ละตัวส่งเสียงประสานกันกึกก้องปานว่าขุนเขารอบ ด, ด้านจะถล่มทลายชูงวงสลอนดังจะท้าทายว่าท่าแน่จริง พวกเองมนุษย์ทั้งหลายเพ่นหนีขึ้นไปทำไมลงมาประจันหน้ากันให้เห็นดำห็นแดงหน่อยไปรไรเพราะพวกมันไม่อาจจะไต่ตามขึ้นมาได้บริเวณแคมสิ่งปลูกสร้างสัพสิ่งที่หลงพลักเหลืออยู่โดยใครช่วยติดมือขึ้นมาไม่ได้บัดนี้ถูกเหยียบกระทึบพินาศแหลกเหลวแม้แต่กองไฟพวกมันก็ยังรื้อฟื้นออกหมดอันผิดวิสัยสัตว์ป่าทั่วไป กองทัพช้างไม่สำคัญซะแล้วเพราะถึงยังไงมันก็ตามขึ้นมาไม่ได้แม้ว่าจะยึดพื้นที่ไว้ได้ทั้งหมดอย่างผู้มีชัยแต่ไอ้ที่นั่งประจงอยู่บนคอช้างบางตัวเหมือนแม่ทัพนายกองและไอ้ที่ลงจากหลังช้างและกําลังปีนป่ายกระดึบกระดึบตามขึ้นมาอย่างไม่ลดละนั่นสิเป็นสิ่งน่าคิดมากแต่ละตัวของพวกมันไม่ทราบว่าโผล่ออกมาจากนรกขุมไหน รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันทั้งนั้นเชือดวุฒอาจไม่เข้าใจอะไรนะนอกจากความตื่นเต้นเพราะคนอกสันขวัญแขวนแต่เกิดเสยและจันที่ยืนคุ้มเชิงคอยระวังเป็นทัพหลังอยู่ในขณะ น, นี้เข้าใจได้ดีที่สุดเพราะเคยประจันหน้าชนิดถึงตัวกันมาแล้วสมัยที่บุกผ่านนิทรานครของนางพยาพันธุ์ุมวดีไม่ต้องไปยิงช้างเสียเวลาอีกแล้วละนายทหาร คอยตอกไอ้ผีฮาที่มันไตาตามเราขึ้นมานั่นดีกว่าจันบอกพร้อมกับฉายไฟไปยังใบหน้าอันน่าเกลียดที่กําลังเกาะแง่หินกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นมาใกล้ที่สุดเป็นตนแรกนอกเหนือจากอีกเจ็ดแปตัวที่กําลังทยอยตามหลังขึ้นมาอีกเป็นลําดับด้านโน้นบ้างด้านนี้บ้างเชิดบุตรก็ขนจริงและทันก่อเหตุการณ์ดีเหมือนกัน พวกพรางของระพินทุกคนย่อมเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงของเขาสั่งอะไรก็ทำทันทีในภาวะวิกฤตเช่นนี้นายพันตรีหนุม่มประทับเอ็มะบอกระบที่จันเคยมอบส่งให้เบลและไปเอาคืนมาได้ยกย ก, ยกขึ้นทันทีตั้งสวิตยิงกึ่งอัตโนมัติแล้วเลงไปยังศีรษะที่กําลังคืบคลานตามขึ้นมาอย่างช้าชานั้นโดยเกิดเป็นคนส่องไฟให้ ไม่ผิดอะไรกับมนุษย์ธรรมดาสามัญที่เดินปืนอย่างจังในระยะที่ไม่ห่างเกินไปนักไอร่างนั้นหงายพึงมือหลุดจักแง่หินและโคนไม้เล็กๆที่มันกำลังไต่ขึ้นถลายรูดลงไปทันทีอย่างศักดิ์สิทธิ์ยิง่งด้วยอำนาจประสุนล้างอาถรรพ์คลุกยันอีเปอร์ของตาเท่าบุญคำซึ่งทำไว้ก่อนแล้ว และยังพอเหลือติกอยู่ในแม็กกาซีนปืนเกิดเส่ยและจันทร้องเชียร์ลั่นอย่างยินดีพวกนี้มีแต่กระสุนจุดสเจดห้าขนาดหนักทั้งสิ้นและไม่คิดที่จะหมดเปลืองกระสุนที่ควรสงวนไวย้ยามจาเป็นอีกต่อไปคงทำหน้าที่ฉายไฟส่องให้เชิดวุธรทีละตัวพร้อมทั้งช่วยกันชี้บอกให้ยิงกำลังใจของเชิดบุตก็กลับคืนมาในบัตนั้น เขายิ้มแยกเขี้ยวบอกเสียงคำรามส่งไฟให้ถ น, นัดฉันจะเฉ่งกระ บ, บานมันเองตัวลันัดทีเดียวตัวซ้ายนั่นนายทหารนั่นนั่นนั่นนั่นเกิดบอกโดยเร็วแหวงไขให้เห็นวูบวูบเป็นสัญญาณเตือนให้ยิงเป็นตัวถัดไปแต่พวกนรกแปลกพวกมึงแหกมาจากไหนวะเชิดบุดพูดบนกับบนกับตัวเองแ ล, ล้วเลง ระดิกไก่ออกไปยังเป้าหมายที่ไม่ต่ำลงไปนักอย่างบันจงทุกบังหมายถึงถ้าไม่พังงะหลุดพึงลงไปทั้งตัวก็จะฟุบแล้วครูดลงไปตามแนวเนินผาอันสูงชันเกือบจะเป็น90องศานั้นเขาเลือกยิงไปทีละตัวทีละตัวอย่างดุเดือดเขียนแต่ก็เล็งอย่างประนีดไม่ดวนผลีผามทำให้กระสิอ าไปดูใช่ทีในขณะที่พักพวกส่วนใหญ่ไต่สูงขึ้นไปสู่โพรงถ้ำใหญ่อันเป็นตำแหน่งปลอดภัยที่บุญคำเลือกชัยภูมิไว้ร่วมหน้าแล้วโดยคำสั่งของรพินเมื่อตอนหัวครับอีกไม่กี่ปังเท่านั้นที่เชิดบุตรเลือกยิงเอาอย่างสบายบนที่อันสูงชันกว่าซากของไอ้พวกผีดิบกรุกแตกพยายามจะสำแดงฤทธ ไต่ตามขึ้นมาก็หลุดกระเด็นหายตกลงไปหมดไม่เหลือให้เห็นเป็นที่เสนียดลูกตาและคอยพะว้าพะวงว่ามันจะไตาตามขึ้นมาอีกและ ว, วิญญาณไรใดก็ตามที่ลงอาศัยสิงสูบงการสรางมัมิอันปราศจากวิญญาณมาแล้วนับการเวลาไม่ถูกก็คงได้ตระหนักดีแล้วว่ายังมีสิ่งที่จะยับยั้ง ส ก, กัดกัน้นกริิยามนกาลีของมันได้อยู่เหมือนกันเชิดบุตไม่น้ำใจถึงระเบิดมือแบบทำลายบังเกอร์ออกมาอีกขยับจะทอดสลักเพื่อคว้างลงไปยังกลางขโขงช้างด้านล่างที่เห็นเต็มไปหมดแต่เกิดฉวยข้อมือไว้ทันไม่มีประโยชน์แล้วนายทหารถานอมเครื่องมือเครื่องใช้เราไวย้ยามจาเป็นดีกว่าตอนนี้ถึงยังไงพวกเราทุกคนก็ปลอดภัยแล้ว มันจะมาล้อมอยู่ข้างล่างนั่นแกมันล้อมไปไม่ทันตะวันขึ้นก็คงจะไปกันเองแหลพะพอเราเรียกขึ้นไปรวมกับพวกโน้นบนโน้นเถอะนายทหารหนุ่มสะบดพึมแล้วยอมปฏิบัติตามฉันก็ป้องปากูตะโกนบอกขึ้นไปว่าวพี่ค้างพวกฉันจะตามขึ้นไปแล้วนะทางนี้เรียบร้อยแล้วใช้ไฟสองทางให้มาด้วย ยายใครยิงลงมานาะอูวได้ยินเบาเออขึ้นมาได้ไอ้จันเสียงตะเภาบุญคำลูกพี่ร้องตอบลงมาไปนายทหารไปยิงต่อไปได้ส่งปืนกระบอกนั้นมาให้จันถือให้ก็ได้ของนายทหารเองก็หนักอยู่แล้วนี่เชิด ว, วุดเข้าห้ามไก่แล้วส่งปืนกระบอกนั้นคืนไปให้จันพร้อมทั้งไต่ทางขึ้นไปทันทีโดยมีจัน เกิดและเสยคอยเป็นพี่เลี้ยงตามอยู่ด้านล่างระวังไม่ให้เชิดบุตรลนุนพลาดกริ้งร่วงไปทางข้างล่างซึ่งทำไมตายเพราะตกหน้าผาก็ลงไปสู่บาทาเขาจะสารนับร้อยที่ประชุมพลกันอยู่พวกข้างบนก็ช่วยกันส่องไฟฉายไม่ต่ำกว่าสองสามดวงเป็นลำเขียวจ้าลงมาเป็นเครื่องชี้ทางหหกในเวร์โพรงถ้าขนาดกว้างพอสมควร ตำแหน่งที่ระพินให้พวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายช่วยกันขนลำเลียงข้าวของเครื่องใช้จําเป็นล่วงหน้าขึ้นมาเก็บรักษาไว้ก่อนเมื่อตอนหัวค่าคือสถานที่หลอดภัยของทุกคนในขณะนี้สตาลีนั้นเมื่อขึ้นมาถึงครั้งแรกก็คอยนับจํานวนคนเห็นอูฐะพัตโตและพรานพื้นเมืองทั้ง8ดคนของฝ่ายตนอยู่กันครบหน้าไม่มีใครขาดหายไปเลยอาวุธพวกนั้นก็ยังติดมือครบ ไม่มีใครทําหลุดหายไปก็เต็มไปได้วยความพอใจยินดียิ่งคริสติน่าเบร์และคีดนั่งใายไฟคอยส่องทางให้พักพวกที่ตามมาในระลอกหลังพอเห็นเชิดบุตรจันเกิดและเสยขึ้นมาครบจำนวนอีกสี่คนทั้งหมดก็ถอนใจออกมาได้อย่างโล่งใจครบจำนวนสิบเ้าคนที่อยู่ภายในแคมป์เบื้องล่างขณะที่โขงช้างบุกเข้าราวีพอดี ถ้าจะขาดหายไปก็เพียงคนเดียวเท่านั้นคือจอมพรานระพินไพรวันซึ่งสูญหายไม่ได้ร่องรอยไปก่อนที่กองทัพช้างจะบุกเข้ามาแล้วเกรียงโบเมียในบ้านตะเคียนทองและชายชะ ก, กันอีกสองสามคนไต่จากโพรงถ้ำถัดไปโผล่เข้ามาเยี่ยมสมทบและส่งเสียงถามแท้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกนั้นช่วยจุดใต้เป็นสัญญาณให้เห็นอยู่ก่อนแล้ว บนบริเวณหน้าผาทันทีที่ได้ยินเสียงปืนนัดแรกระเบิดขึ้นโชคดีเหลือเกินโชคดีจริงๆที่ระพินไหวทันสั่งให้เราขนสัมภาระสำคัญขึ้นมาหลบซ่อนไว้ซะบนนี้ก่อนถ้าไม่งั้นปนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยหัวหน้าคณะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงกระหืดกระหอบที่ยังไม่หายตื่นเต้นเขารู้ตัวก่อนหน้านี้แล้วนี่ ว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นว่าแต่ว่าตอนนี้ตัวเขาเองนะไปอยู่เสีที่ไหนคริสติน่าผู้นั่งกุมขมับอยู่บนแง่โขดหินริมปากเวิงถํำร้องออกมาเบาๆทุกคนที่กำลังพูดกันจอแจจอกแจกอยู่ในขณะนี้ก็เงียบลงทันทีกลุ่มลูกหาแปดคนรวมทั้งอูทักพะโต้และกระเรียงโบเมียกับพวกที่มาสมทบนั่งประชุมกันอยู่ในซอกมุมหนึง่ง พรานสี่คนของระพินก็หลงนั่งกอดเข่ากันอยู่หน้าปากถ้าส่วนฝ่ายนายจ้างเดิงกันพรากภายในเวิงถ้าที่กว้างขวางพอประมาณนั้นสว่างพร้อมแพลมด้วยแสงไฟแสงใต้ที่พวกกระเหลี่ยงโดยเจ้าของสถานที่ปักไว้ตามซอกหินสแตนลีย์สีหน้าเต็มไว้ด้วยริ้วรอยทุกคนอยู่ในสภาพอันมลลกมาแลกทุลัก์ทุเลแทบจะเอาชีวิตไม่รอดและนิ่งงันกันอยู่ในภาวะ ต่างๆกันขีดตรงเข้าหาหลังเครื่องดื่มนัดขวดพลาสติกขนาดใหญ่ที่บรรจุบรันดีออกมาซักชะเต็งเหยียดและสะบัดหน้าอยู่เร่าเราเหมือนจะให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่หลับฝันไปอิสเบลกางเกงและเสื้อนัาขาทุ่งริง่งจนเห็นผิวเนื้อทะลุโปร่ปรงเข้าไปถึงไหนแต่ถึงไหนแต่ขณะ น, นี้ทั้งเจ้าตัวและผู้ร่วมสถานการณ์ไม่มีใครสนใจ คริสตินานั้นอาการเหมือนจะจับไข้ทั้งๆที่เหงื่อชุ่มกายตัวสั่นเทาเชิดบุตรเคียวหมากฝรั่งบทเย่อเยออยู่ในปากพร้อมทั้งลากขีปกระสุนอันเป็นคลังกลางออกมาจากกองสัมภาระอย่างเตรียมพร้อมที่จะทำศึกต่อถ้าจำเป็นอึใจต่อมานั่นเองอเมริกันเอาวโุโสผู้เป็นหัวหน้าคณะของคนทั้งหมดก็ชูมือดีดแรง ทุกคนหันกลับมามองเขาก็พ ย, ยักหน้าเรียกพักพวกและพรานพื้นเมืองมือดีของระพินทั้งสี่คนที่แยกย้ายเกะกะอยู่ตามมุมต่างๆให้เข้ามานั่งประชุมรวมหัวกันขณะนั้นจากนาฬิกาข้อมือของฝ่ายนายจ้างชี้บอกเวลาสนาฬิกา45หนาทีตอนนี้ฝ่ายเราทั้ง19ชีวิตรอดปลอดภัยกันหมดทุกคนแล้ว เป็นการแต่ผ้า ย, ยับเยินถอยขึ้นมาหลบอยู่บนหน้าผานี่ข้าวของที่แหลกย่อยยับไปข้างล่างนะไม่ต้องคำนึงถึงเพราะมันไม่ใช่ของสําคัญอะไรไอ้ศัตรูลึกลับที่เป็นกองทัพช้างก็ยังล้อมยึดพื้นที่อยู่ข้างล่างปล่อยมันไปก่อนตอนนี้เรามาหารือกันถึงเรื่องมักคุเทศนําทางคนสําคัญของเราเถอะตอนนี้ใครมีความคิดยังไงบ้างเขาเป็นตายไร้ดีอยู่ตรงไหน อาจจะแลกและเอียดไปก่อนเป็นคนแรกแล้วก็ได้ก่อนที่ไอ้ผีนรกและกองทัพช้างจะบุกเข้าถึงตัวเราเพราะถ้าเขายังอยู่เหตุการณ์เช่นนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายรู้ตัวก่อนและมาเตือนเราทันแต่นี่ไม่มีวี่แววร่องรอยอะไรของเขาเลยคิดพูดเสียงแผ่วต่ําเป็นความรู้สึกส่วนตัวอย่างแท้จริง มากกว่าที่จะคิดสาบแช่งใดๆทั้งสิ้นแต่สำหรับฉันนะคิดว่ามันจะต้องมีสิ่งผิดปกติอะไรสักอย่างแน่ๆสำหรับเขาคนนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดไกลไปถึงว่าคนอย่างเขาจะถึงแก่ชีวิตไปแล้วนะอิสเบนกล่าวอย่างหนักแน่นมั่นใจในห้างถ้าจะปรึกษากันก็ขอให้พวกบุญคำรู้เรื่องมั่งดิ ก็พูดไทยดิอย่าพูดฝรัง่งตาเท่าบุญคําโผล่ขึ้นดังๆเพราะพวกของแกก็เข้ามานั่งกอดเขาประชุมอยู่ด้วยอะขอโทษทีขอโทษ ท, ท, ทีบุญคําเวลาฉันตกใจฉันพูดไทยไมาค่อยออกต่อไปนี้เราจะพูดในภาษาที่ฝ่ายบุญคําเข้าใจบุญคําหรือพวกของบุญคําสันนิษฐานได้ไหมว่าตอนนี้นายของบุญคําอยู่ไหนเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้ว สเตลลี่หันไปตบไหล่อันบอบางแต่แข็งแรงของแกหนักหนักพร้อมทั้งถามด้วยน้ำเสียงจริงจังบุญคำกรอกหน้ายังไม่อาจจะพูดอะไรออกมาได้ในขณะนั้นจันเกิดและเสยก็พา ก, กันนิ่งงานกันไปหมดผมมีฟางเชื่ออะไรอยู่อย่างหนึ่งนะดอเตอร์สตลลี่ผู้พูดแทนที่จะเป็นบุญคำกลับกลายเป็นเชิดวุดไป ผมว่าคนอย่างระพินยากมากที่จะเกิดอันตรายใดๆขึ้นจากภัยของป่ายกะไว้อย่างเดียวภัยจากโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวของเขานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วถ้างั้นเดี๋ยวนี้เขาอยู่ไหนละ่ะในขณะที่เราทําศึกกับไอ้โขงช้างผีนั่นยิ่งกว่าสมัยทําศึกไอ้พวกเวียดโกงซะอีกอย่าว่าแต่เสียงปืนเลยขนาดระเบิดมือก็หลายลูกที่เหวี่ยงลงไป เสียงนั้นมันดังได้ยินไปไกลหลายลูกเขาทีเดียวอิสเบลถามมามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มาเป็นอุปสรรคสกัดกั้นเขาไว้ซึ่งเรายังไม่ทราบขณะ น, นี้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรถึงได้ทำให้รับินสูญหายไปจากแคมป์ในระหว่างที่เราประทะกับขโขลงช้างแล้วตะเลิดเปิดเปิงขึ้นมาบนนี้จนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนี่ทรบินอยู่กับเราแคอย่างเดียวอะ ผมแน่ใจนะว่าเราจะไม่แตกยับเยินถึงเพียงนี้หรือมิฉะนั้นพวกพันก็อาจจะไม่กล้าบุกเข้ามาเลยก็ได้นายทหารพูดถูกตะพารานเท่าเก่าเสียงเบาต่ำลักษณะครุ่นคิดหนักแ่เองก็เป็นห่วงเจ้านายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงขนาดพวกนายจ้างทุกคนที่ตกอยู่ในภาวะกระสับกระส่ายเต็มที ท่านนายอยู่ใกล้เคียงบริเวณตางพักสัอย่างเดียวก็จะไม่มีอะไรย่างกลเข้ามาได้หรอกบุญคำกลัวว่าแกจะแอบไปดูลาสเราอะไรแล้วก็ออกห่างตางพักเราไปมากมากแล้วไอ้พวกจันไรนั่นก็ฉวยโอกาสเข้าเล่นงานเราโดยแกยังย้อนกลับมาร่วมกับพวกเราไม่ทันแต่ไอ้เรื่องที่ว่าแกจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่ว่าจะจากช้างหรือจากผีดิพวกนั้นโดยตรง บุญคำไม่เชื่อสแตนลีย์เริ่มการสอบสวนทันทีโดยตั้งคำถามรวมๆขึ้นกับทุกคนว่ามีใครเห็นระพินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และเขาอยู่ตรงไหนบุญคำให้คำตอบว่าระพินไทยวันออกไปนอนพักอยู่นอกอนณาเขตแคมป์พักบนดงังทางดาง่านตำแหน่งที่จะนำลงไปยังลำธารด้านล่างคนเดียวมืดๆไม่ได้ก่อไฟ อาถรบริการของเขาก็มีเพียงแค่เต้หลังไรเฟิลประจำมือและกระสอบปูนอนเท่านั้นแกเล่าไปตามจริงว่าจะได้ออกไปยืนพูดกับพรานใหญ่อยู่ตรงแท่นหินตำแหน่งนั้นและจะขอนอนเป็นเพื่อนด้วยแต่นายนะ่ะสั่งให้บุญคำกลับเข้ามาในเขตกองไฟและฝากให้ดูแลบริเวณภายในทั้งหมดไว้บุญคำก็ต้องทาตามคาสั่ง นายแหม่มคริสก่อนจะเข้านอนก็มาเดินถามหาตัวพรานใหญ่บุญคายังชี้ตำแหน่งที่พรานใหญ่ไปนอนอยู่แล้วก็ห้ามไม่ให้แหมมออกไปประโยคหลังแกบอกซึ่งคริสติน่าก็พยักหน้ารับเป็นความจริงตามที่บุญคาบอกแกาจาย์ฉันเพิ่งทราบข่าวตอนก่อนจะเข้านอนขณะที่ออกเดินสำรวจบริเวณแคมป์บราพินออกไปนอนดักอยู่นอกเขตที่พัก อันก่อกองไฟของเราบนเส้นทางด่านลาดที่จะไปสู่ลําธารน้ําข้างล่างนั่นเหระค่ะอาจารย์ระยะห่างจากกองไฟรอบนอกสุดที่ก่อไว้ทางด้านนั้นประมาณสักเท่าไหร่ก็หินจะไม่เกินสามสิบเมตรแล้วมั้งพอจะตะโกนกันได้ยินแต่ฉันไม่ได้ตะโกนผู้ไรกับเขานะคะรู้สึกว่าขณะนั้นเขาคงจะนอนพักและรับเหลี่ยมหินอยู่ ก็มองไม่เห็นกันฉันยังทวงบุญคำเลยว่าทำไมถึงได้ปล่อยเขาเออกไปนอนคนเดียวตรงนั้นบุญคำก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติและวิธีการที่ระพินเขาจะปฏิบัติอยู่เป็นประจำหากว่าจะมีสัญญาณอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับคณะพักในความรับผิดชอบของเขาเวลาพักแรมตลางป่าทุกครั้งซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาถึงจะต้องปฏิบัติเช่นนั้นแต่ก็ไม่อาจจะทักท้วงใดๆได้ได เพราะพานลูกน้องของเขาจะต้องรู้นิสยัยรู้ฝีมือของเจ้านายดีอยู่ก่อนแล้วแต่ขณะนั้นฉันก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายใจนักล่ะเสยเป็นหัวหน้าเวนยามในช่วงแรกรายงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างปะกะติเรียบร้อยและไม่เห็นวิแววอะไรของเจ้านายแต่ก็เข้าใจว่าคงจะต้องนอนหลับอยู่ตรงตำแหน่งนั้นนานๆครั้งก็ใช้ไฟส่องไปยังด้านนั้นสักที มองไม่เห็นอะไรผิดปกติไม่เห็นระพินลุกขึ้นมารากฏให็หนก็เข้าใจว่าคงจะหลับส่วนเกิดนดะเป็นยามภาคดึกหลังเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อกำหนดเวลาของตนก็ปลุกจันให้ขึ้นมารับเวรต่อจันก็เล่า ว, ว่าได้เริ่มให้ความสนใจไปยังตำแหน่งพักนอนของเจ้านายและสอบถามการเคลื่อนไหวใดๆของระพินโดยถามเกิดเช่นกันแต่เกิดก็บอกว่าปกติ สงบรับขาบดีไม่มีวิแววอะไรจังก็แปลกใจฉายไฟและทดลองเป่าใบไม้แห้งเป็นสัญญาณเรียกซึ่งตามปกติแล้วควรจะได้รับสัญญาณตอบรับจากเจ้านายบ้างแต่ก็เงียบเป็นที่ผิดสังเกตก็เลยตัดสินใจจะก้าวออกไปนอกบริเวณเพื่อจะไปดูแต่ก็ต้องชะงักซะก่อนเพราะฟานลูกพี่คือบุญคาตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันร้องห้ามไว โดยถือคำสั่งของพรานใหญ่ไม่ให้ใครล้ำออกนอกเขตต่างคนก็ต่างปรึกษากันแล้วก็ช ง, งนอยู่เหมือนกันที่ไม่พบพี่แววกระโตกกระตากใดๆจากกระพินที่ออกไปนอนอยู่ข้างนอกบริเวณเลยตอนนั้นนจันร์กับพี่คําก็เลยชวนกันออกเดินตรวจรอบๆ บ, บ, บริเวณปางพักเห็นทุกอย่างก็เรียบร้อยดีผ่านกระโจมพักนายห้างทั้งหลายก็เห็นหลับสนิททุกคน หลังจากนั้นก็เลยมานั่งคุยกันที่กองไฟด้านที่จะลงไปทางลำธาร น, นั่นแหละก็จนกระทั่งได้ยินเสียงปืนและเสียงร้องของแมมดังมาจากกระโจมพักข้อความรายละเอียดมันก็สิ้นสุดบรรจบกันพอดีกับเหตุการณ์ตอนที่คริสติน่าตื่นขึ้นมาอย่างบังเอิญและไอ้ผีดิบที่ขาดครึ่งท่อนโผล่กระโจมทางด้านปลายเท้าคลานเข้ามากัดงับปลายเท้าที่สวมบูทของลอา เหตุการณ์หลังจากนั้นแน่ละทุกคนตื่นขึ้นมาเผชิญกับตาตัวเองด้วยกันทั้งสิบนี่เป็นไปได้ไหมในกรณีที่ว่าภายหลังจากที่รพินออกไปนอนอยู่นอกแคมป์ของเราตามลำพังคนเดียวแล้วเขาก็เกิดอาการจับไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวขึ้นอีกจนกระทั่งเวลาที่ช้างกับไอมอนสเตอร์พวกนั้นมันบุกอะไรไอมอนสเตอร์นันอะไร บุญคำถามทะลุกลางป้องขึ้นเขาก็าาหมายถึงไอ้ผีดิบตัวขาดครึ่งท่อนและไอ้พวกที่นั่งมาบนคอช้างที่เราเห็นหนั่นไงคริสติน่าอธิบายให้ตาพรานเท่าเข้าใจแต่พยักหน้ารอ้องอ๋อแล้วก็ไม่ว่าอะไรอีกนอกจากทำริมฝีปากมุบมิบทวนคำเพื่อจะจดจำไว้ถ้ารพินนอนจับไข้หมดสติอยู่ตรงนั้น หมอเบนพูดเสียงแผ่วแหบเหือดยกมือขึ้นเสื้อผมไรถุงช้างมันบุกเข้ามาล้อมเราไว้ทุกทิศก็แปลว่าเขาจะต้องถูกเหยียบแหลกไปแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันน่ะนี่ฉันว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือต้องลองไปตรวจดูยังตำแหน่งที่ราพินนอนพักอยู่ล่ะแม่ผมทองกล่าวอย่างเต็มไปได้วยความหวาดหวัน่นกัดฟิมฝีปากเบ า, เบ า, เบา แตเราก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างนั้นในตอนนี้เพราะไอ้ขลุงช้างผีเนี่ยมันล้อมเราเต็มไปหมดเดี๋ยวข้างล่างโน่นเน่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะถอยไปเมื่อไหร่อ่าฟังกันดิฟังเสียงมันร้องประสานกันยังไงอ่าฟังดิยังก็บวาผูเขาหน้าผานี่จะท่มถลม่ถลมถลายลงอย่างงั้นแหละฟังดิ<อ>ให้มันล้อมอยู่อย่างนั้นแหละแม่เดี๋ยวใกล้รุ่งพวกมันก็ถอยไปเองคงอยู่ไม่ถึงเช้าหรอก พระช้างพวกนี้นะมันเป็นช้างผีสิงตอนนี้นะผียังแรงอยู่เอาไว้พวกมันถอยซะก่อนแล้วเราจะลงไปดูกันตรงที่พรานใหญ่นอนจันแสดงความเห็นอย่างมั่นใจเอาระเบิดล้นยโยนลงไปสักสี่ห้าลูกไปไงบางทีจะทำให้มันแตกหนีผลกไปเร็วขึ้นไงคิดถามความเห็นของเพื่อนร่วมคณะทุกคนสแตนลีซันศีสาไม่เห็นด้วย ฉันว่าสงวนลูกปืนและยุติสัมภาระของเราไว้ก่อนดีกว่ามันจะล้อมเราอยู่ข้างล่าง น, นานสักเท่าไหร่ก็มันล้อมไปแล้วตอนรุ่งสางก็คงถอยไปเองแหละอย่างจันว่าขณะนี้ก็ถึงต้องถือโชคดีที่สุดแล้วที่พวกเราในแคมป์ทั้งสิบเก้าคนไม่มีใครเป็นอันตรายเลยหนีรอดพ้นขึ้นมาได้ทุกคนขาดหายไปเพียงคนเดียวอย่างลึกลับที่สุดเอาสรุปในขั้นนี้ก่อนว่า ถ้าพวกมันถอยไปเมื่อไหร่เราจึงจะมีโอกาสลงไปตามระพินได้สำหรับตอนนี้ไม่มีทางจะทำอะไรได้หรอกนอกจากจะช่วยกันสวดภาวนาขอให้ระพินรอดปลอดภัยคริสติน่าผู้ละเอียดอ่อนสังเกตไปยังสีหน้าพราญพื้นเมืองทั้งสี่อย่างพินิษเหมือนจะตรวจหาความรู้สึกและถามว่านี่ถามจริงเะพวกเราทั้งสี่คนน่ะนะบุญค เกิดจันเฉยฉันรู้ว่าแต่ละคนเฉยเฉยไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนักนการเหตุการณ์ที่ฟานใหญ่หายสาบสูญเป็นเฉยเฉยในคราวนี้ถามจริงอะ่ะนี่ไม่มีใครเป็นทุกข์เป็นห่วงเขามั่งเลยเหรอพวกเราก็เป็นห่วงนายด้วยกันทุกคนแหละแมมเกิดซึ่งเรียนหนังสือมากกว่าทุกคนในคณะเป็นคนตอบแทนพักพวกมาแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่แมม จะให้บุกฝาคลุงช้างนับร้อยที่ยึดเต็มพื้นที่ข้างล่างอยู่ในขณะนี้ไปตามหานายพวกเราก็จะแหลกกันไปซะก่อนแล้วอีกอย่างหนึง่งพวกเราอยู่กับ น, นายรพินมานานผ่านเหตุการณ์ทํานองนี้มันนับไม่ถ้วนไอ้ที่ร้ายหนักกว่านี้ก็มีแต่ก็ไม่เห็นนายราพินเป็นอะไรสักครั้งรับรองถึงเวลาก็ตามพบหรือไม่แกก็โผล่กลับมาเองแหละพวกแหม่มกับนายห้างเน่ยอย่าวิตตกไปเกินกว่าเหตุเลย นายรพินน่ยเป็นคนมีดีอยู่กับตัวมากไม่จะพรานธรรมดาอย่างพวกของเกิดอย่างเดียวอสายเวิอาคมมนมืดนี่ยแกมีพร้อมทุกอย่างลุงคําที่ว่าเก่งทางหมอผีแล้วก็ยังแค่ลูกศิษย์แกเท่านั้นแหละมีทางที่ไอ ห, ห่วงอยู่ประตูเดียวเท่านั้นแหละก็คือเรื่องสุขภาพของแกอ่ะงั้นก็ย้อนกลับมาพูดกันถึงเรื่องที่จันกระบุญคําตื่นขึ้นมาแล้วเป่าใบไม้เรียกแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบ มีใครเข้าใจว่ายังไงแล้วพินนอนจับไข่ไม่ได้สติหรือว่าขณะนั้นเขาเคลื่อนย้ายตัวเองไปที่ไหนก่อนลนะ่ะหมอเบนถามไปยังพรานพื้นเมืองทุกคนก็เมื่อคืนก่อนนี้นายจับไข่หนักไปทีนึงแนละ้วอยู่ด้วยกันมาไม่เคยเห็นว่าแกจับไข่ซ้อนกันสองขึงติดๆกันเพราะฉะนั้นบุญคำก็ไม่คิดว่าพวกแกจะจับไข่ในคืนนี้แกอาจจะออกจากบริเวณที่แกนอนอยู่ไปไหนก็ได้ อย่างที่บอกแล้วอ่ะก็จะไปไหนในเวลากลางคืนมืดมิดหน้าสะพึงกลูแบบนี้คริสติน่าร้องอุทานโอ้ยจะกลางวันหรือกลางคืนจะหัวค่าหรือจะดึกท่านนายก็นึกจะไปก็ไปผมก็ได้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องคํานึงถึงเวลาหรอกบุญคําตอบเออแล้วพวกบุญคําพอจะบอกได้ไหม ว่าไอ้พวกผีดิบมันมากระโุงช้างได้ยังไงมันเจตนาที่จะเอาโขงไอ้ดำมาเล่นงานพวกเราโดยตรงทีเดียวน่ะเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวที่ระพินกระเชิดบุตรวางระเบิดตัวขาดครึ่งท่อนกับที่ระพินยิงหัวเข่าแหลกไปเมื่อตอนบ่ายวันนี้ไงหัวหน้าคณะพยายามสอบทั้งๆที่ตระหนักดีอยู่ว่าพวกพลานพื้นเมืองคงให้คําตอบอะไรไม่ได้กระจ่างชัดนักยกเว้นระพินไพรวันเพียงคนเดียวเท่านั้น ตาพรานเท่าหอไล่ลงเสยียบปากบุญคำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันมาจากไหนแล้วคุมขลวงช้างเป็นควานขี่คอนำกันมาได้ยังไงส่วนไอตัวชํำรุดสองตัวเมื่อตอนบ่ายบุญคำเชื่อว่าช้างคงจะหิ้วมันมาแล้วก็คว้างมันออกมาจากแนวป่าให้มะคลานหลอกหลอนสำแดงฤทธิ์กับเรา ลูกปืนของพวกนายห้างนะ่ะทำอะไรมันไม่ได้หรอกกว่าจะยิงให้ตัวมันแหลกย่อยยับไปมันก็คงตรงธือเข้ามาทำร้ายเอาได้แต่ที่ถูกพวกของบุญคำก็นายทหารเชิดบุตรยิงทีเดียวจอดก็เพราะเราใช้ลูกปืนลงอคมไว้เจอเขานัดเดียวกระสุนเจาะผ่านตรงไหนไม่สาคัญแต่อิทธิริษมายามนของมันไม่สามารถจะเข้างาสิงร่างได้อีก บุญคำก็อธิบายให้พวกนายห้างเข้าใจไม่ถูกเหมือนกันแต่รับรองได้ว่าพรุ่งนี้พอตะ ว, วันขึ้นไอ้พวกช้างถอยขบวนไปแล้วถ้ามันไม่หิวเอาซากผีไปกับโขลงมันด้วยเราจะเห็นไอ้ผีดิบพวกนั้นนอนกันเกลื่อนเพราะถูกอากระสุนอาคมยิงกริ่งไปหลายตัวตอนที่พวกนายห้างกําแหนงไปยินไต่หนีขึ้นมาบนหน้าผา พวกมันยังตตยตามขึ้นมาอีกจะเล่นงานเราให้ได้โชคดีนายทหารใช้ปืน M16 ไอที่บุญคำเอากระสุนเข้าวิธีปลุกเสกไว้น่ะตอกลนลงไปหมดไม่งั้นน่ะมันตามเราขึ้นมาถึงบนนี้แล้วพวกมันไม่ได้มาหลอกห่อให้เราขวัญเสียเฉยมันยังมีเรี่ยวแรงมีร่างกายที่จะฆ่าพวกเราได้อีกด้วยเอาไว้พบนายรพินซะก่อนเถอะ แล้วนายห่างลองสอบถามดูเถอะเกี่ยวกับไอ้ผีหมื่นปีพวกนี้นายรพินนะ่ะเคยฟาดกับพวกมันมาก่อนแล้วพิงแต่แกไม่ยอมเล่าให้ฟังเท่านั้นก็คงกลัวจะพวกกลัวนายห้างไม่เชื่อนี่ก็เห็นกันชัดๆกับตาแล้วไม่งั้นบุญคําก็ไม่อยากจะพูดให้ฟังเหมือนกันเขาเคยบอกเหมือนกันนะว่าจะอธิบายอะไรให้เรบฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ยอมบอกอะไรจนกระทั่งเขาสูญหายไปในคืนนี้ อย่าหาว่าแช่งด้วยคิดอะไรในแง่ร้ายเลยนะถ้าหากว่าระพิน์ไม่โผล่กลับมาอีกหรือเราพบว่าเขาตายไปซะแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีคริสติน่าพูดเหมือนรำคึอหมดระพิน์สักคนเดียวแผนการทั้งหมดก็เกมกันอยู่แค่นี้เท่านั้นเองใครจะมีปัญญานำพวกเราเดินต่อไปได้สแตนลีพูดกับพรรคพวกเป็นภาษาของตน แล้วยกนาฬิกาข้อมือขึ้นตรวจดูอีกอย่างร้อนรุ่มใจบนต่อมาว่าฮอีกตั้งกว่าชั่วโมงกว่าท้องฟ้าจะสางไม่ต้องทำอะไรกันแลนอกจากจะหดหัวกันอยู่บนนี้อกระสุนใครหมดก็เตรียมบรรจุและสำรองไว้ได้แล้วเอากระสุนลูกซองแบบลูกโดดแจกให้พวกลูกหาบอีกเท่าที่ระพินแจกไปแลนมันน้อยเกินไปซักันไม่กี่ตูมเท่านั้นหมดเท่าที่แจกไปแล้ว เขาก็คงจะคิดไม่ถึงอ่ะว่ากองทัพช้างจะยกมาเป็นร้อยเป็นพันแบบนี้แล้วตามปกติในช้างปา่าถูกซันโวคว่ำไปแค่สักสิบยีสิบตัวก็ต้องถอยล้นี่มันบุกเข้ามายังกระตาหารกล้าตายที่ล้มก็ล้มไปไอ้ที่อยู่ข้างหลังก็ประดังดันตัวหน้าเข้ามาโอ๊ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นแม้แต่เรื่องเล่าก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังใครเขาเล่าให้ฟังถึงพฤติการแบบนี้เลย เชิดุพูดเสียงหนักๆแล้วสองคนก็นคิดก็ตรงไปที่ลังกระสุนนัดกระสุนขนาดต่างๆออกมาแจกแจยให้พักพวกเพื่อเตรียมพร้อมเต็มอัตราสึกอีกครั้งบุญคำกับพวกพลานพื้นเมืองออกไปหาไม้ที่เตรียมไว้ก่อกองไฟตรงหน้าถ้ำเพื่อต้มกาแฟไม่มีใครคิดที่จะหลับจะนอนกันอีกต่อไปต่างนั่งสุมกันอยู่เป็นกลุ่มๆเพื่อรอแสงตะวันขึ้นหรือมิฉนั้นก็รอให้อกองทัพ มหานรกเคลื่อนย้ายไปซะก่อนเบนผู้เสื้อผ้าขาดย่อยยับรุ่งริ่งไม่มีชิ้นดีค้นหาชุดใหม่แล้วเดินหลบเข้าไปในลืมปรับเปลี่ยนทุกคนเพิ่งจะมีเวลาได้สำรวจตัวเองพบ ว, ว่าตละคนก็ทะเลาะปอกเบิงได้แผลเลือดซิดและฟกช้ำดำเขียวกันไปตามตามกันโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างโชคดีนิดที่ไม่มีใครอาการหนัก หรือมีส่วนใดชำรุดไปอาศัยเพียงแค่แต้มทิงเจอและปิดปลาสเตอร์กันทั่วทุกคนโอ้นี่แต่เจอเขาแบบนี้อีกครั้งเดียวพวกเราก็พินาศหมดกระสุนมีเท่าไรไม่พอประทะนี่มันยกกันมาเป็นร้อยๆกันมังคิดบ่นขึ้นขณะที่งัดชิค ก, ก้าออกมาจุดหน้านิ้วคิ้วขมวดมันจะต้องมีมีวิธีแก้อะไรสักอย่างหนึง่ง ถ้าถูกโจมตีจากกองทัพช้างแบบนี้บ่อยๆเราเดินทางต่อไม่ได้แล้วคงจะแก้ไขคนจะแก้ไขได้ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้น่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นตาย้ายดีไปอยู่สะที่ไหนเฮ้ยถ้ารู้ล่วงหน้าแบบนี้พอแบก RPG หรือ M72 มาด้วยเลยรู้แล้วรู้รอดเชิดบุตรพูดลอดไรฟันออกมาสึกใหญ่ก็ไอ้ช้างพวกนั้น ก็ดีไปอย่างสำหรับกระเรี่ยงไอของโบเงมียที่กำลังอดอยากหนีมาอยู่บนท่านหน้าผานี่พวกนี้ไม่มีอาหารเลยคงได้ฟาดเนื้อช้างเป็นอาหารสบายไปหลายวันเกินพอซะอีกผมกล่าวว่าคืนนี้นะพวกเราถล่มมันคว้างไม่ต่ำกว่าสามสิบตัวปัญหามันก็อยู่ที่ว่าพวกนี้จะแล่นเนื้อกันไม่ไหวสิที่เหลือก็จะเน่าสงกลินเหม็นหึงไปหมดทั้งหน้าผา นักเรียงบนนี้จะทนกลิ่นต่อไปไม่ไหวดีไม่ดีก็ต้องย้ายถินน่นหนีกันี่กัเกิดผู้หิวเอากาแฟที่ต้มทั้งกากเข้ามาให้บรรดาเจ้านายเอ่ยขึ้นคริสตินานอนสงบนิ่งศีรษะหนุนไปหลังสุบุรีอัดควันลึกตาหมือมองจับเพดานถ้ำหินย้อยอยู่มุมหนึ่งตางามสีฟ้าของหล่อนเปิดโพงปราศจากแ ว, ว, ง, วงงเงาใดๆอีกทั้งสิ่ง และไม่สูงสิงพูดกับใครอีกเลยนานๆก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาสักครั้งต่อมาเบลก็เข้ามานั่งเอาหลังพิงผนังถ้ำอย่างอิดโรยอยู่ใกล้ๆเบลหึสองสาวกระซิบพูดกันแผ่วเบาตามลำพังเธอคิดยังไงเกี่ยวกับฮันเตอร์คนนั้นเหรอหอึคิดไม่ถูก รู้อย่างเดียวฉันเป็นห่วงเขามากแต่ก็อาจจะน้อยกว่าเธอก็ได้นะเขาจาัดเตรียมวางแผนในพวกเราปลอดภัยกันทุกคนในคืนนี้แต่ตัวเขาเองเสียงของแม่ผมทองแหบหายไปฉันว่าเชื่อคนของเขาไว้ก่อนดีกว่านะเชื่อว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแต่ฉันว่าเขาเป็นแน่ จะมากนิดน้อยเท่านั้นคืนนี้นะมันเป็นคืนมหาวิบัตินับแต่เราเริ่มออกเดินทางมาบางทีมันอาจจะเป็นความผิดของฉันก็ได้นะในข้อที่ว่าครั้งสุดท้ายฉันรู้เห็นอยู่แล้วว่าเขาออกไปนอนอยู่นอกแคมป์แล้วก็ดันชื่อคนของเขาโดยไม่ออกไปตามไม่กลับเข้ามาทาั้งที่จะชฉันทำจริงๆก็คงทำได้ และเขาก็คงจะไม่กล้าขัดใจฉันถ้าฉันจะขอร้องให้เขากลับเข้ามาอยู่ในเขตของแคมป์จ้ะเบลเอามือวางบนไหล่ของเพื่อนสาวแล้วก้มลงกระซิบริมหูนี่เธอห่วงกังวลเกี่ยวกับเขามากเกินกว่าสภาพของนายจ้างและลูกจ้า ง, ท, งทั้งทั้งที่ดูผาดผ่าดว่าเธอไม่ได้อะไรใหญ่ดีเขาเลยมากไปแล้วนะคริสตินาเงียบกร ในใจของหล่อนสวดภาวนาในเวลาเดียวกันนี่แหละใครอีกคนหนึ่งก็นอนสูบบุหรี่ตามองจับอยู่บนเพดานห้องนอนภาวนาเช่นกันเพื่อเร่งเวลาให้รุ่งเช้าเสโดยเร็วหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริษคือใครคนนั้นบนซอกถ้ำ ที่หลบภัยขนาดกว้างใหญ่ที่พอจะบรรจุคนได้ถึง19ชีวิตอย่างหลวมๆรวมทั้งกองสัมภาระจำเป็นที่มีการเคลื่อนย้ายกันขึ้นมาเก็บรักษาไว้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วนั้นทั้งหมดแยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆเพื่อรอเวลารวมทั้งปรึกษาหารือกันมิชามินานก็กลายเป็นความเงียบอีกหลายคนนั่งหลับนกโดยเฉพาะพวกลูกหาบ ซึ่งไม่มีหน้าที่อะไรมากไปกว่าปฏิบัติตามคำสั่งในด้านแรงงานอย่างเดียวบางคนก็นั่งกอดเขา่าสูบบุหรี่ดื่มกาแฟเบลับอย่างง่ายๆอีกครั้งตามประษาของหล่อนนอกจากคริสติน่าเท่านั้นที่นอนเหมือนหลับแต่ดวงจิตของหล่อนตื่นอยู่ตลอดเวลาระยะเวลาระหว่างนี้ คิดทดลองเครื่องรับส่งวิทยุอีกครั้งแต่มันก็คงใช้ไม่ได้ผลอยู่เหมือนเดิมนอกจากเสียงสู่ซ่าค ร, ราุคร่าของคลื่นอากาศที่รบกวนหนักแล้วก็สะบัดดาพ่อล่อแม่อะไรไปตามประษาสแตลลีย์บกมือสั่งให้ระงับความพยายามนั้นไว้ซะเพราะมันไม่ให้ผลอะไรมากกว่าความหน่วขหูน่ารำคาญ อีกประมาณสี่นาทีจะเป็นเวลาห้านาฬิกาตรงบุญคำผู้นั่งผิงกองไฟอยู่หน้าปากโพรงถ้มรวมกับพรรคพวกของตนอีกสามคนก็เดินปรีมาที่กลุ่มนายจ้างซึ่งนั่งบ้างนอนบ้า ง, ท, างทันทีพร้อมก็ บ, บอกว่าในห้างไอ้ช้างน่ะโรคน่ะมันยกขบวนพากันไปหมดแล้วยังกระดาดินไปอย่างนั้นแหละฮะไม่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวของพวกมันเลยนะ อเมริกันอาวุโสอุทานขึ้นมาพร้อมกันลุกขึ้นยืนทันทีคริสติน่าดึงกายขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วเพราะตลอดเวลาหล่อนไม่ได้หลับแม้แต่หีบเดียวมือหนึ่งคว้าเอ็มบรรันจุลูกเต็มอัตราอีกมือหนึ่งเอื้อมไปเขย่าปลุกแม่เพื่อนสาวที่นอนขดตัวซุกอยู่ใกล้ๆส่วนเชิดบุตรก็เอาศอกกระทุ้งนคิดผู้นั่งหลังพิงผนังหินเคลมๆอยู่ ทั้งหคนของฝ่ายนายจ้างพากันลุกจากโพรงถ้นที่อาศัยอยู่ออกมายังชานของหน้าผาทันทีซึ่งเกิดเซยและจันกำลังยืนอยู่ที่นั่นสองไฟฉายกราดลงไปยังบริเวณอันเป็นที่ตั้งของแคมป์ทั้งหมดมองตามแสงไฟที่ส่องตรวจไปมาแล้วอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันอะไรกันนี่พวกมันไปกันหมดแล้วจริง ก็อย่างเลยเหลือแต่ซากที่ถูกยิงล้มอยู่เท่านั้นไอ้ทำไมมันถึงเงียบอย่างเงียบคิดยกนาฬิกาพลายน้ำขึ้นดูทันทีเกือบตีห้าแล้วมันใช้เวลาบุกเข้าโจมตีเราและยึดพื้นที่ไว้ประมาณสองชั่วโมงเต็มแล้วนี่อยู่ไม่อยู่ก็หายไปเงียบเงียบงั้นแหละอ่ะไหนลองช่วยฉันใช้ไฟสองด้วยแน่ๆอีกทีสิ ครานี้ไฟฉายมากกว่าเจ็ดแปดดวงที่ต่างคนต่างถือประจำมืออยู่ก็พวยพุ่งไปยังลานเบื้องล่างทันทีจริงตามที่บุญคำบอกทุกอย่างบริเวณแคมป์ที่ตั้งอยู่ใต้หน้าผาอันเคยเต็มไปได้วยโขลงคดจารที่เข้ามาชุมนุมกันอยู่เนืองแน่นแทบมองไม่เห็นพื้นดินบัดนี้ว่างเปล่าเหมือนไม่เคยปรากฏการย่างกรายเข้ามาของพวกมันเลย พยานหลักฐานที่พอจะยืนยันได้ก็คืออาการราบพนาศูนย์ของกระโจมที่พักร้านย่างเนือ้อกองไฟที่ถูกรือ้อและดับหมดสนิทกับซากของช้างที่ถูกยิงตายแล้วแทบจะนับจำนวนไม่ทวนนอนเป็นภูเขาเกะกะทั่วบริเวณเป็นมย่อม